พาหุงสาหาสมาปิเนมิตาสาวทานตังกิริเมฆรังอุทิตโกราเสนมารมรังทานาติตามวิทินาชิตาวาหุนินโทรพระจามมุนไดชนะประยามันผู้เนรมิแทนมากตั้งพัน ชื่ออาวุธครบมือขีโคจะส ร, ร้างจิงเมฆารามด้วยเซนามาโหร้องก้องกึกด้วยธรรมพิธีมีทานบารมีเป็นตนทานเตจะทราปรวัตเตชัยมังคลานี ขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ด้านด้วยเดชแ่งพระพุทธใจมงคลนั้นมาราติเรกมาปิโยจิตาสาภราติงโครามนาละวะกามาคามทธาติยาคังกันเียสุทานกาวิทินาจิตาวามุนินโท พระจอมมุนีได้ชนะอาระกยัตผู้มีจิตกระดัางปราศจากความอดทนมีฤทธิ์เพริศจิ้มกว่าพยามานเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธีธรรมาตเนอันดีเือดะสันติ ทานเปชสะซาปะวะตุเตชยมังครลานีขอชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเด็ดแต่งพระพุทธชายมงคลนั้น นาราธิริงขจวาวดังอธิมตาตพูตังท า, งาวกิจากกมาม ส, าสานิวัสุตาลุนันตังเมตตังภูเสกวิตินาจิตาวามุนิทรนราชจอมุนีได้ชนาชางตัวประเสริฐชื่อนาราธิริ เป็นช่างเมามันยิ่งนักแสนที่จะทารณุณประดดเถิงตาและจากกาวุฒละสายฟ้าด้วยวิธีรถลงด้วยน้ำคือพระเมตตาทานเตจะซาาวัตุเตเจยมังทรานิ ก่อชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแต่งประพูดถาชัยมงคลนั้นโอคิตขาคามติหาสตุ์ทารุ น, นตังทาวันติโยชนปะถางสุริมาราวันตังอิเิพิสังกะจมโนจิ ต, ตวามุนินโตพระจอมุนีมีพระอฤทยัย ไปในที่จะตามอิทธิปาติหารได้ชนะโจรชื่อองคุลิมนันกู้มีพวงดอกไม้คือเลี้ยวมนุ์แสง้ายกาดมีพิมือเทิดดาบเมื่อวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามยศตันเตจะทราบะวัตุเตจะยมังกรานี ก่อชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นกาตาวานา迦าะมุตรงหิวะตาปิณิยจินใจทุตวจรังชายากายามาเจสันเตนโสมาวิธินาจิตาวามุนินโท พระจอมุนีได้ชนะความเปร่ายดของนางจินจะมานวิการทาง ม, มาการประดุดพ่ามีกันพระธรรมไม่มีสันฐานันกลมให้เป็นประดุดมีทองด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระ ง, งับพระหรืไทย ทานเตชะสาภาวะตุเตชยมังคะลานิขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นศาจตังวิหายมัติสาสจกวะทะเกตุงวาทาปิโรปิตมะนังอติอันทะพูตังปัญญาปชิปัจจาิโตชิตตวัอุนินทน พระจอมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยปทิปคือพระปัญญาได้ชนะสัจจากนิครนผู้มีอา จ, จะใจในที่จะรัเสียซึ่งความสั์มีใจในที่จะยกถอยคำของตนให้สูงดุจยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานวิธี เสือรู้อาชาสายแล้วตัดเทศนาทานเทชะสาปวัตุเตชยมังกรานีขอใชม้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้น นันโทปานาสะพุทธกังวิปุังมหิติงปุเนะเรพทธเกนะตมาปยัญโตอิตโตปเวิินาชิตามุนินโทพระเจมุนีโปรดให้ประโมสาราเทระพุชิโรส เนรมิตายเป็นนาคราชไปทรรมาลพญานาคชื่อนันโทป น, นทันธาผู้มีความรู้ฤิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุปปเทศแห่งฤทธิแก่พระเทราทานเปชสาบวตุเตชยมังครานิ ขอใจมงคลตั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นโุคาปฏิทิพุ จ, จเคนาสุธาสหาทั้งธรรมวิสุทธิจุติมีสิปภาพิธานังยานากกเทนวิทินาจิตวามุนินโทรพระจอมมุนีได้ชนะพรมผู้มีนามว่าเท้าปกา ผู้มีฤิมีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยกุนันบริสุทธิ์มีมืออันท่าผู้ชงคือทิฏฐิที่ตนเธอผิดถึงรัดไ้แน่นแปนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานตันเทศสาวาตุเทเจยัมังธรานี ็ชายมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเด็แห่งระพุทธก็ยจมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคละลาอาคาธ า, ายโยวาจโนตินาตินเนรัเตมะตันติอิตาวานะเมขวิวิธานิจุปาทวานิโมกังสุขังอติกรรมยนานรวสปัญโย นอรชนใดมีปัญญาไม่เกียดกันสวดก็ดีรรลึ ก, ก็ดีถึงพระพุทธใจมงคลแตกทาท า, ทาแม่เหล่านี้ทุกๆวันนอไชนนั้นพึงลาเสียได้ถึงอุปาฏว่างอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นนรกถึงวิโมกขสิวาลัย อันเป็นบรมสุขแล